อย่างบางองค์เนี่ยนะอย่างเขามาเคยรู้จักพระบางรูปเนี่ยท่านก็พูดซะจนวัดเนี่ยแตกกระจายหมดแตกเป็นไม่รู้กี่เสียงว่างั้นเนถอะแทบจะว่าถ้ามีสิบองค์ก็แตกสิบชิ้นว่างั้นอ่ะนะในที่สุดท่านก็เดือดร้อนเล่าๆเพราะอะไรเพราะอกุศลที่ทำไปแล้วเนี่ยนำมาเสื่งความเดือดร้อนใจเป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าเจตนาของตนนั้นนะ่ะพูดเพื่ออะไรพูดทาไมเนี่ยนะมันก็ ก็อันตรายพันเมเมตตาวจีกรรมนี้สำคัญมากทั้งต่อหน้าและรับหลังเพรันปัญหาสังคมทั้งหลายแหลที่มีปัญหาไม่มีจบมีสิ้นก็เนื่องจาก เ, าเนี่ยปีสุนาวาจาคือขาดเมตตาวจีกรรมพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะเพื่อเพื่อความมันน้าลายตัวเองก็ช่างเถอะหรือจะพูดให้เขาแตกแยกก็ช่างเถอะแต่ว่าในที่สุดก็คือความสมัครสมาสามัคคีเป็นต้นก็ไม่มีเมื่อไม่มีความสามัคคีกันเนี่ยนะ แทนที่จะมาสนทนาเรื่องสมถาวิปัสนาทุกคนก็จะมีความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นอารมณ์นะก็คือทุกคนก็พยายามเก็บความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้ในใจพมันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็ไล่เลยว่าเลวหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบ อีกฝ่ายหนึ่งก็จําได้อีกฝ่ายหนึ่งก็เลวหนึ่งสองสามสี่หเจปดเก้าสิบอีกฝ่ายหนึ่งก็คนข้าบข่าวก็ขบัขบข้าไปบอกบบอีกฝั่งหนึ่งว่าอีกฝ่ายนี้เขาบอกว่าฝั่งนี้ยเลวหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็ข้าบอีกฝั่งหนึ่งไปบอกอีกฝั่งหนึ่งก็เลยในที่สุดเนี่ยเรื่องมันจริงๆอะมันนิดนเดียวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรียก ว, ว่ามันลุกลามเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไปดึงเล้ยๆสิบเรื่องมาปนกันนะดึงไปดึงมาก็เลยชวนกันมาไปเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ที่ไหนเอ่เยเนี่ยนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่พรหมโลกแน่นอนนีนะถ้าแต่ถ้าเป็นเมตตาวจีกรรมเนี่ยนะจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่พรหมโล ก, กว่างั้นนะเพราะอะไรเพราะทุกฝ่ายมีเมตตาอยู่ด้วยวิหารธรรมคือเมตตาก็ไปเจอกันในสถานที่ดีเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเมตาก็ไปเจอกันในที่ที่ที่โลกซึ่งไร้เมตตาสิ้นดีเนี่ยแต่ก็เป็นนะบางคนเนี่ยเวลาเวลาอาคุศุลกรรมเหล่านี้มันให้ผลเนี่ย มีแต่ความแตกแยกเลยนะมีแต่ความไร้ความสมัครสมานสามัคคีมีไม่มีความปรองดองอะไรกันเลยเนี่ยนะ <S <S แล้วก็ยิ่งถ้าเหมือนกับว่าถ้าไปเป็นหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าของคนแตกแยกเหมงอนกันเถอะไปเป็นหัวหน้าคนแตกแยกแล้วชักชวนให้สามัคคีชวนคนนี้ก็ไปผลักขัดกับคนโน้นชวนคนโน้นก็ขัดกับคนนีน้กลายเป็นผู้นําองค์กรที่ไม่มีเสถียรภาพอะไรเลยไม่มีความมั่นคงอะไรเลยเพราะแต่ละคนขาดเมตตาซึ่งกันและกันพูดถึงกันและกันด้วย คือเขาก็เลวมันปกติของเขาแล้วล่ะเชื่อเถอะว่าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงสังคมของพระอริยเจ้าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงของคนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องคนดีจริงบริสุทธิ์จริงอะ่ะคือพระพุทธเจ้าพระอริยาสาวกทั้งหลายท่านเหล่านั้นดีจริงแต่เนื่องจากว่าสังคมในในอย่างปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเลวคนละอย่างสองอย่างเราต้องไม่ไม่ลืมว่าเราในอยู่แวดวงคนป่วยทางร่างกายแล้ว จิตใจเราอยู่เครียกว่าอยู่กับคนที่ยังเป็นอกุศลอยู่การที่เขาเป็นอกุศลก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาเป็นเรื่องปกปติของเขาแต่ไม่ใช่เป็นหัวข้อที่กลายเป็นว่าหัวข้อมาสร้างความแตกแยกเนี่ยนะเป็นหัวข้อที่มาพูดเพื่อที่จะได้ว่าอูอีกฝ่ายหนึ่งเลวมากคบไม่ได้โดยประการทั้งปวงนี่ไอคนพูดนี่แหละคบไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะนะก็กลายเป็นว่าเอาไปเอามาตัวเองก็หมดสภาพเนี่นะ ก็หนักๆเข้าก็มองหน้ากันไม่ติดไม่มีคนที่พอที่จะเห็นใจซึ่งกันและกันก็จะกลายเป็นองค์กรที่ขาดความหวังดีขาดความปรารถนาดีแก่กันและกันนั้นเรื่องเมตตาเนี่ยนะคำพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตาพูดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์หรือสูญเสียผลประโยชน์เนี่ยตรงนี้เราต้องใขรวนให้ดีว่าเราพูดอย่างนี้แล้วประโยชน์โลกนี้เขาได้ไหม ถ้าเราพูดเช่นนี้ไปแล้วเขาจะได้รับประโยชน์โลกหน้าไหมหรือเขาเสียหายประโยชน์โลกหน้าพูดอย่างนี้แล้วทาให้เขาไปสวรรค์ไปนิพพานได้อย่างไรเนี่ยนะคนฟังได้เป็นไปเพื่อสวรรค์ น, นิพพานไหมแล้วเราพูดเองเราได้ประโยชน์โลกนี้อย่างไรได้รับประโยชน์โลกหน้าอย่างไรประโยชน์อย่างยิ่งอย่างไรเพรันต้องทบทวนเช็คตรวจสอบสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยนะเพราะคําพูดบางคำเนี่ยนะเวลามันให้ผลออกมาเนี่ยจ่ายไม่รู้จ่ายเท่าไหร่หมายความว่า โทษฐานเหล่านั้นบางทีก็ตีเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เลยเนี่ยน ะ, นะ เ, พะเพราะคําพูดเนี่ยอย่าลืมว่าทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอาริยทรัพย์ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเราทั้งหลายถ้าเราจะรักษาอาริยทรัพย์ก็รักษาที่วาจานี่แหละเพราะคำพูดมันก็มีอยู่สองอย่างถ้าเปล่งออกมาเออหนึ่งคำเนี่ยจะเออจะอ้าจะอืมจะอะไรก็ช่างเหอะมันมีอยูอ่สองอย่างบุญกับบาปนะถ้าบาปมันสูญเสียขนาดไหนถ้าบุญ มีคุณค่าขนาดไหนพ่านถ้าหากว่าเราพูดคําพูดที่ประกอบด้วยวจีทุจริตเป็นคําพูดที่เป็นอกุศลเป็นบาปเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีโทษเราเองก็เรียกว่าขาดเมตตาต่อตัวเอง<ม>เพราะอะไรเพราะเป็นคนที่โยนความทุกข์ให้แก่ตัวเองในอนาคตตัดตัดความสุขแห่งตัวเองในอนาคตต่อไปเพราะโลกสังสารวัฏเนี่ยนะมันเป็นการโลดเล่นไปเนี่ยนะมันไม่มีการหยุดอยู่กับที่ นั้นสิ่งใดที่เราสะท้อนออกไปตรงนี้คือต้นน้ําของอนาคตเนี่ยนะต้นน้ําของอนาคตสิ่งที่ทําคําที่พูดวันนี้เนี่ยคือผลผลิตอะไรนะคือเหตุที่จะได้รับผลผลิตในครั้งต่อๆไปเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดคําพูดที่ไม่ดีนะพูดคําพูดที่เป็นทูตริต ก, กรรมทั้งหลายใครเนอเป็นผู้ได้รับเนี่ยนะใครเนาะเป็นผู้ที่เดือดร้อนทําไมเราต้องสร้างความเจ็บปวดให้แก่ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะ มันผู้ใดสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้อื่นเช่นใดสิ่งเหล่านั้นจะไปไหนจริงๆแล้วโลกของแต่ละคนเนี่ยเหมือนอยู่ในกระเป๋องกระฟองไข่กระเป๋อไข่เนี่ยนะแล้วก็เป็นสะท้อนอะไรออกไปข้างนอกสิ่งนั้นสะท้อนกลับมาหาตัวหมดเลยเหมือนทีเรียกว่าสัดถ้าสัดดอกไม้ทวนลมเนี่ยนะกำโปรยดอกมเมล็ดทวนลมเนี่ยดอกมเมล็ด ก, ก็ตกมาใส่ตัวถามว่าถ้าจับฝุ่นละอองทวนลมล่ะ ฝุนละอองก็มาเข้าตัวถ้าหากว่าโปรยสิ่งใดออกไปสิ่งนั้นก็จะย้อนเข้ามาหาตัวถ้าโปรยบาปออกไปผลแห่งบาปก็สะท้อนมาหาตัวถ้าโปรยบุญออกไปผลแห่งบุญก็สะท้อนกลับเข้ามาหาตัวเพรผะถ้าเราอยากได้รับสิ่งใดเราก็มาไต่สวนเหตุว่าเหตุเราทำแก่ทำที่สมควรแก่ผลไหมถ้าหากว่าเราปรารถนาให้ผู้อื่นพูดกับเราด้วยเมตตาวจีกรรม คนอื่นน่าจะพูดกับเราดีๆบ้างแล้วเราเคยพูดดีกับใครบ้างนะเพราะนั้นบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปนั้นบุญบาปไม่ไร้ไปจากโลกไม่หายไปจากโลกเพราะโลกนี้โดยเฉพาะคําว่าสัตว์โลกเป็นที่ดูแห่งผลบุญผลบาปเป็นที่ดูการทําบุญทําบาปเป็นที่ดูทําบุญทําบาปทางกายวาจาใจเป็นที่ดูว่าเขาได้รับวิบากเช่นไรวิบากที่แตกต่างกันก็แปลว่าทําเหตุมา แตกต่างกันพ้นแห่งาการกระทำใหม่ๆที่แตกต่างกันก็บอกว่าอนาคตต่อไปก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะเรื่องเมต่านี่สําคัญมากพรันถ้าเราจะชวนใครก็ชวนชวนในสิ่งที่มีประโยชน์แก่เขาจริงทั้งโลกนี้โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งนั่นแหละเรียกว่าเมตตาวาจิกรรมเนี่ยนะอย่างชักชวนกันไปทําบุญแะชักชวนกันขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ นั่นอยู่ในสัมมาอาชีพชักชวนการประกอบในการเจริญมงคลชักชวนกันในการเจริญ ค, คุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะชักชวนในการฟังธรรมเป็นต้นอันนั้นก็เป็นเมตตาวจีกรรมส่วนเมตตามโนกรรมภิกสุก็ลุกขึ้นแต่เช้าปฏิบัติสรีระทำวัดที่ลานพระเจดีเป็นต้นนั่งเหนืออาสนะที่สงัดคิดว่าขอพิสุทั้งหลายในวัดนี้จงเป็นผู้มีความสุขไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนเป็นต้น นี่เรียกว่าเมตตามนโนกรรมคิดให้คนอื่นมีความสุข น, นะขอให้ทั้งวัดเนี่ยนะอยู่กันอย่างมีความสุขนะทุกทั้งวัดเนี่ยอย่าได้มีเวรกันอย่าได้ผูกอาฆาตพยาบาทอย่าจองรังจองร้างจองผลานกันเลยอย่านําความทุกข์ให้แก่กันและกันเลยทุกคนเนี่ยช่วยกันสแสวงหาความสุขให้แก่กันและกันเถิดในคำว่าห ว, วังแต่ความสุขหวังแต่ความเจริญแก่ ทั้งวัดเหมงอนกันอันนี้เรียกว่าเป็นเมตตามนโนกรรมนั่งคิดให้ทุกคนมีความสุขนั่งคิดให้ทุกคนเนี่ยได้รับแต่ความเจริญนะสมมุติถ้าหากว่าเราจะเจริญเมตตามนโนกรรมต่อผู้ที่มาฟังธรรมเนี่ยนะอย่างต่อหน้าหรือรับหลังก็ต่างก็มานั่งคิดว่าขอให้ทุกคนฟังอย่างมีความสุขนะขอให้ทุกคนฟังด้วยความสบายใจนะขอให้ฟังแล้วเข้ารู้เข้าเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขอให้สิ่งที่ฟังแล้วนําเอาไปใช้ได้เอาไปปฏิบัติได้ใน ชีวิตที่เป็นจริงแล้วก็ขอให้สิ่งที่เอาไปปฏิบัติเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญป ร, ปราศจากทุกโศกรโรคเวรภยัยอันตรายโดยประการทั้งปวงเธอเนี่ยนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยฟังทำอย่างมีความสุขเป็นต้นความคิดอย่างเนี่ยเป็นเมตตามนโนกรรมเนี่ยนะเมตตามนโนกรรมก็หวังดีปราถนาดีอย่าลืมว่าเมตตาต่อคนอื่นเมตตานั้นก็อย่ามา ร, รักษาเราเหมือนกันแต่ถ้าเราขาดเมตตาต่อผู้อื่น อกุศลที่อยู่ในใจเรานี่แหละเป็นตัวทําลายเราเรียกแพ้ภูมิกับตัวเองเราแพ้ภัยกับตัวเองแพ้ภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดี น, นะนะภูมิคุ้มกันคืออโศกเนี่ยหมดไปเพราะฉะนั้นอโศกทั้งหลายก็ระบาดขึ้นมาก็เรียกเป็นโรคภูมิแพ้ทางความคิดเนี่ยนะก็แพ้ไปหมดเห็นอะไรก็แพ้ไปหมดเนี่ยนะก็คันตลอดทันทางความคิดถ้าอย่างนี้ก็นั่งก็ไม่เป็นสุขวางอ น, นอนก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุข มีอยู่สูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่ามีสุนัขบางตัวที่มันเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคอะไรเอ่ยโรคเรือนโรครังแคเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ไปแหม่หน้าหนาวแหมโรครังแคแล้วคู่กันหน้าหนาวเนี่ยนะเข้ากันหน้าหนาวตากแดกก็แลว้วอยู่ร่มไม้ก็แล้วอยู่ตรงไหนก็คันไปหมดเลยกันมีแต่ความเดือดร้อนนะแล้วก็คนที่ขาดเมตตาทั้งหลายเนี่ยนะจริงๆแล้วก็เป็นแบบนั้น นะถ้าอยู่ด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วก็เป็นแบบนั้นเดือดร้อนไปทุกที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลําบากมีแต่ความคับแคบมีแต่ความคัดแ ค, แ ค, คแ้นเนี่ยนะมันก็ฝึกเจริญเมตตาถ้าคารวาทั้งหลายก็คิดนะนะเช่นเจริญเมตตาให้พระพิสุสงฆ์ทั้งหลายก็บอกขอพระผู้เป็นเจ้าจงเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เถอะเนี่ยนะก็คืออะไรถ้าเจริญเมตตาแบบที่เราเจริญเจริญกันอยู่ก็เจริญว่า ขอสัตว์ท้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอเรานึกถึงใครก็ขอให้เขาเนี่ยเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอเนี่ยนะ ก็อย <chat> ่างที่ในเมตสูตรนั่นแหละประโยคของเมตสูตรมีอยู่ประโยคเดียวขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดหลักการอยู่ตรงนั้นเป็นสาระสําคัญมันคิดถึงใครก็คิดว่าขอให้เป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดคิดถึงตัวเองก็บอกขอให้ตัวเองมีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเธอจะคิดเบียดเบียนตนไปถึงไหนเนี่ยนะ ถ้าคิดถึงคนอื่นก็คิดให้คนอื่นเขามีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดจะรังแกคนอื่นทางความคิดไปถึงไหนเนี่ยนะใจดําจังเลยอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะคิดให้คนอื่นเดือดร้อนคําพูดก็เหมือนกันก็พูดสิ่งใดที่ตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนใจในวันหลังสี่ก็พูดสิ่งใดที่คนอื่นไม่เสียหายไม่ลําบากใจไม่เดือดร้อนต่อต่ อ, ตอไปสิสิ่งที่เราทําก็เหมือนกันเพราะโลกนี้ถ้าหากว่าทุกคนประกอบไปด้วยเมตตาทุกคนก็จะมี ความสุขผู้ใดมีเมตตาผู้นั้นก็มีความสุขผู้ใดมีเมตตาผู้นั้นก็ปราศจากทุกข์เพราะอะไรเพราะอั น, นิสงส์ของเมตตาพราะองค์ตรัสอยู่แล้วว่าอะไรหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาช่วยปกปักรักษาไฟสาตรายาพิษเป็นต้นไม่กล่อกลายเนี่ยนะแล้วก็ถ้าจะตายสีหน้าผ่องใส ถ้าหากว่าจะตายก็ไม่ลืมเมตตาไม่ลืมคุณธรรมเหล่านี้พันคิดถึงอะไรก็ไปดีว่างั้นเพราะระลึกถึงความดีที่ตัวเองได้เคยทําไว้นึกถึงความชั่วไม่ได้เลยเพราะอาศัยเมตตาแล้วก็สุขติพรหมโลกนะถ้าไม่บรรลุอรหัตตผลก็อย่างน้อยก็ไปพรหมโลกได้เพราะอะไรเพราะเมตตานี่เป็นเครื่องอยู่เนี่ยนะเมตตาเนี่ยถ้านับเนื่องในพรหมิหารเนี่ยนับว่าเป็นที่อยู่ที่ดี ในบรรดามนุษย์ที่อยู่จริงๆแล้วมีอยู่ที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะหนึ่งอิริยาบถวิหารอยู่ด้วยอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่างสร้างบ้านสร้างที่อยู่ก็คือสร้างจะได้ยืนสบายนั่งสบายนั่งนอนสบายแค่นั้นแหละทนสร้างบ้านที่ก็คือสร้างให้อิริยาบถสี่อยู่สบายเดินสบายนั่งสบายนอนสบายก็เลยเรียกว่าวิหาร มัยว่ า, าวิหารหมายถึงที่อยู่เช่นเสนาสนะทั้งหลายที่เราอยู่บ้านช่ อ, หองห้องหอทั้งหลายที่เราอยู่กันนี่เรียกว่าวิหารแปลว่าที่อยู่อยู่โดยการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะที่อยู่ทั้งหลายภายนอกช่วยปกปักรักษาอะไรหลังคาทั้งหลายก็ปกปักความหนาวและความร้อนเออขออภัยความร้อนเป็นต้นเนี่ยนะที่ปกปักเมฆฝนถ้าฝาทั้งหลายช่วยป้องกันอะไรพื้นทั้งหลายช่วยรักษาอะไรข้าวของเครื่องใช้ช่วยให้ สบายอย่างไรให้อยู่สบายอย่างไรฉันใดก็ดีนี่เราก็มาดูว่าหนึ่งแล้วเราสร้างที่อยู่ให้แก่ใจบ้างไหมที่อยู่แห่งใจทั้งหลายหนึ่งพรหมวิหารสองทิพภวิหารสามอริยวิหารเนี<อ>่ยนะการสร้างพรหมวิหารก็สร้างใจให้ใจมีที่อยู่ให้มีใจมีที่พักเนี่ยนะให้ใจมีที่อยู่ใจก็จะได้อยู่สบายเพราะฉะถ้าใจอยู่สบายด้วยพรหมวิหารจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็สบาย